ผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่ทําพลาดเพราะไม่มีสัมมาสมาธิวงเล็บเปิด11กรกฎาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเวลาที่เรามาเจริญสติเราไม่เห็นรูปธรรมมันเคลื่อนไหวเราไม่เห็นนามธรรมามันเคลื่อนไหวไม่ใช่คนเคลื่อนไหวเราเห็นร่างกายมันเดินเห็นรูปมันเดินไม่ใช่เราเดินพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติรู้กายมีสติรู้รูปมันจะเห็นทันทีเลย ตัวที mas, the moon, the moon. The moon ่เดินอยู่นี้ไม่ใช่เราเดินแล้วรูปมันเดินร่างกายมันเดินร่างกายมันยืนร่างกายมันนอนร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานี่ใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเครื่องมือสำคัญคือมีสติมีสติรู้กายรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือมีใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะเกิดปัญญาฉะนั้นสัมมาสมาธิทำให้เกิดปัญญาสติไม่ได้ทาให้เกิดปัญญาสตินั้นทาให้จิตไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว ทำกุศลให้เจริญขึ้นมาถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเห็นความจริงทีนี้จิตของเรามันหลงมาตั้งนานแล้วพอเรามาหัดเจริญสติรู้สึกไหมเรารู้สึกตัวได้แวบหนึ่งแล้วก็หลงไปยาวเลยนานๆรู้สึกได้อีกแวบหนึ่งแล้วก็หลงไปนานเลยเห็นไหมสะสมความหลงผิดทีหนึ่งยาวสะสมความรู้ถูกทีหนึ่งนิดเดียวนี่ต้องสะสมบ่อยๆนะ ให้มันถีขนถ่ขึ้นถี่ขึ้นดังนั้นต้องอดทนมากเลยในการเรียนรู้ตัวเองขยันดูตื่นนอนขึ้นมาก็คอยรู้สึกไปรู้กายรู้ใจแต่อย่าไปเพ่งมันถ้าเพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้จิตไม่มีความตั้งมัน่นไม่มีสัมมาสมาธิให้รู้เอารู้กายรู้ใจจิตเป็นคนดูสบายสบายตัวนี้แหละตัวสำคัญผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดที่ทาพลาดทาไม่สาเร็จไม่ใช่ไม่มีสติแต่ไม่มีสัมมาสมาธิ สติก็มีกันทั้งนั้นแหละที่ฝึกกรรมาฐานอย่างบางคนไปรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติรู้ตลอดไม่หลงเลยบางคนดูท้องพองยุบไม่หลงไปไหนเลยสติรู้ท้องตลอดเวลาไม่หลงไปที่อื่นเลยยกเทา้าย่างเท้ารู้หมดขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนมีสติรู้หมดเลยเนี่ยลาพังมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามมีกันเยอะตัวที่ขาดอย่างแสนสาหัสเลยคือสัมมาสมาธิ ไม่มีสัมมาสมาธิมีแต่มิจฉาสมาธิแล้วแยกไม่ออกด้วยว่าอะไรคือสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิถ้าไม่มีสัมมาสมาธิจะไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์จาไว้นะในพระอภิธรรมสอนเอาไว้ว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์สัมมาสมาธิไม่เหมือนมิจฉาสมาธิจิตทุกๆดวงมีสมาธิจำเอาไว้นะกระทั่งจิตอกุศลก็มีสมาธิ แต่สมาสมาทีเกิดยากยากที่สุดทําอย่างไรจิตของเราจะตั้งมั่นจิตของคนส่วนใหญ่ที่ว่ามีสมาธินะ่ะเป็นจิตที่เข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์ยกตัวอย่างสมมติว่าเราจะดูพัดอันนี้พอมองที่พัดอันนี้จิตเราจะไหลามาอยู่ที่พัดอา้าวพวกเราดูพระพุทธรูปตั้งใจดูนะตั้งใจดูรู้สึกจดจ่ออยู่ที่พระแล้วรู้สึกไหมว่าใจเราไหลไปอยู่ที่พระ เราดูพระรู้เรื่องใช่ไหมเรามีสติสติเราจับอยู่ที่พระใจเรามีสมาธิใจเราไปแช่อยู่ที่พระอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัมมาสมาธิถามว่าเราไปเพ่งพระอยู่นี่จิตเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลนะจิตมีสมาธิมีสติจดจ่ออยู่กับพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าไปมองพระแล้วเออไม่เห็นสวยเลยปากก็เบี้ยวคิ้วก็กระดกข้างหนึ่ง นี่จิตเป็นอกุศลมองในแง่ร้ายแล้วถ้ามองแล้วรู้สึกเออพระพุทธเจ้าน่ารักน่าเลื่อมใสอะไรอย่างนี้อย่างนี้เป็นกุศลแต่ว่าไม่ใช่วิธีที่จะเจริญวิปัสนาอย่างนี้ได้แค่ความสุขได้แค่ความสงบสูงสุดได้แค่สมถะเพราะอะไรเพราะจิตของเราลืมตัวเองไปจิตของเราไหลไปอยู่ที่โน้อนอา้าวพอแล้วดูมากเดี๋ยวพระสึกหมดเปลี่ยนใหม่เอาหัวแม่มือตัวเองขึ้นมาเพ่งใส่หัวแม่มือนะ ให้จิตลงไปแนบอยู่ที่หัวแม่มืออ้าวทำทุกคนนะมือเก่าวมือใหม่ซ้อมเข้าเพ่งเลยให้หัวแม่มือหลุดก็ไม่ว่าพวกที่ตั้งใจเพ่งรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือรู้สึกไหมอ้าวพอแล้วพอแล้วหลวงพ่อพาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเวลาที่เราจะมีมิจฉาสมาธิจิตมันจะเคลื่อนไปจิตมันจะไหลลงไปนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์อันใดอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นเวลารู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมืออย่างหลงพ่อเทียนจิตไหลไปอยู่ที่มือนี่จิตหลงไปจิตไหลไปอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิจะไม่เกิดปัญญาเกิดแต่สมถะมีแต่สมถะนะนิ่งๆไปได้อย่างนั้นแหละทีนี้จะเกิดปัญญาจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาต้องรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ เป็นคนดูไม่เผลอไปไม่ไหลไปตั้งมั่นอยู่แต่มีเงื่อนไขต้องตั้งมั่นอย่างสบายด้วยตั้งมั่นแบบเบาๆแบบอ่อนโยนแบบคล่องแคล่วว่องไวแบบไม่ได้ถูกกิเลสครอบงำถ้าตั้งแบบแข็งๆนี่ไม่ใช่ตั้งแล้วหนักๆนี่ไม่ใช่ตั้งแล้วเครียดๆนี่ไม่ใช่จิต ท, ที่เป็นสัมมาสมาธิมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ทั้งหลาย ความโลภเกิดขึ <Survey Sham krit> ้นก็เห็นความโลภเกิดขึ้นเห็นเหมือนกับคนเดินผ่านหน้าบ้านความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นความโกรธผ่านมาเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเห็นใจลอยไปดูเหมือนเห็นคนอื่นใจลอยใจมันแค่ตั้งมั่นเป็นคนตามรู้ตามดูเรื่อยๆมันรู้อย่างสบายๆรู้อย่างมีความสุขก็หลวงพ่อจะบวชหลวงพ่อเที่ยวตะเวนไปเยอะเลยว่าเราจะไปบวชที่ไหนดีตะเวนไปดูสำนักโน้นสำนักนี้ สิ่งที่น่าตกใจก็คือคนซึ่งบอกว่าทำวิปัสสนาส่วนใหญ่ไม่ได้ทำวิปัสสนาส่วนมากติดสมถะที่ติดสมถะเพราะว่าขาดสัมมาสมาธินั่นเองใจไม่ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเราก็บอกว่าจิตตั้งมัน่นตั้งอยู่ที่ไหนที่ลมหายใจอันนั้นไม่ใช่ตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นต้องตั้งมั่นในการรู้ลมหายใจจิตอยู่ตั้งหากลมหายใจอยู่นี่กายกับจิตมันแยกออกจากกัน จิตตั้งมั่นเวลาเห็นกิเลสจะเห็นกิเลสอยู่ห่างๆจิตอยู่ตั้งหากแยกออกจากกันเวลารู้กายเห็นกายอยู่ห่างๆจิตแยกออกมากายกับจิตมีช่องว่างมาขั้นมีระยะห่างไม่ใช่รวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างคนที่ไปรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมเนี่ยไม่มีช่องว่างจิตกับลมหายใจรวมเป็นเนื้อเดียวกันอันนี้เป็นการเพ่งอารมณ์เป็นสมถะถ้าจิตตั้งมั่นจิตมันจะแยกออกมาตั้งหาก มันเห็นร่างกายหายใจเหมือนดูคนอื่นหายใจเลยถ้าพูดภาษาง่ายๆตามสภาวะที่เห็นจริงๆก็คือมันเหมือนจิตอยู่ต่างหากร่างกายต่างหากกายกับจิตมันแยกกันมีระยะห่างนะมีช่องว่างมาขั้นบางทีจิตก็ถลําวิ่งเข้าไปหากายบางทีจิตถลําวิ่งไปที่อื่นได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมาพอรู้สึกขึ้นมามันจะเห็นเลยร่างกายที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันที แล้วจะเห็นทันทีเลยเวทนาที่ปรากฏอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่เราเพราะอะไรเวทนามันแยกออกไปห่างๆอย่างพวกเรารู้สึกไหมมีใครรู้สึกไหมว่าพัดนี้เป็นตัวเราถ้ามีก็บ้าแล้วนะไม่มีใช่ไหมเพราะมันอยู่ห่างๆนึกออกไหมต่อไปนะถ้าสติปัญญามันมีความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยมือนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรามันอยู่ห่างๆนี่ร่างกายอยู่ตรงนี้เลย อยู่ห่างๆหมดเลยจิตมันอยู่ตั้งหากจิตมันเป็นคนดูมันจะเห็นตลอดเวลาเลยเห็นได้ทันทีเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ไหมจิตส่วนใหญ่ไม่ตั้งมั่นหรอกจิตส่วนใหญ่ไหลาตามอารมณ์ไปเรื่อยๆถ้าไหลาตามอารมณ์สเปะสปะไปเรื่อยๆเรียกว่าจิตฟุง้งซ่านถ้าไหลไปแล้วไปแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเขาเรียกว่าเพ่งเอาไว้เรียกว่าการเพ่ง ฉะนั้นสิ่งที่ผิดที่ทําให้เราเจริญวิปัสสนาไม่ได้ก็เลยมีสองอันที่หลวงพ่อบอกว่าคือเผลอกับเพ่งนั่นเองเผลอคือจิตมันจับอารมณ์นี้จับอารมณ์นั้นจับอารมณ์โน้นเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆสเปะสปะไปเรื่อยๆดูไม่ทันหรอกเลอะเทอเะเปื้อนไปอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เลยจับอันโน้นทีจับอันนี้ทีคล้ายๆหลิงโหนต้นไม้เหวี่ยงตัวไปมือนี้ปล่อยกิ่งนี้มือนี้คว้ากิ่งนี้ใช่ไหย มือนี้ปล่อยอีกกิ่งมืออีกมือคว้าอีกกิ่งหนึ่งโหนไปเรื่อยๆจิตใจของเราที่ร่อนเร่ในสังสารวัฏเหมือนลิงโหนต้นไม้นั่นแหละถ้าพูดให้เท่หน่อยเหมือนทาซานนะเมื่อก่อนเคยมีหนังเรื่องทาซานใช่ไหมมันโหนกิ่งนี้ไปกิ่งนั้นมันเชือกทั้งนั้นแหละถ้ามันโหนแถววันไปไหนส่งเดชอย่างนั้นก็ขอหักตายจิตของเราก็เหมือนลิงอย่างนี้แหละเหมือนทาซานจับอันนี้ปล่อยปุ๊บจับอันนั้นต่อไปเรื่อยๆจับอารมณ์หนึ่งนะ จับอีกอันจับอีกอันฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้หรอกอีกอันหนึ่งจิตถลำไปไหลไปไหลเหมือนกันนะแต่ไหลไปอยู่อันเดียวถ้าไหลไปนี้ทีไหลไปโน้นทีเรียกว่าฟุ้งซ่านเรียกว่าหลงไปเรียกว่าเผลอไปถ้าไหลไปแล้วไปเกาะ น, นิ่งๆอยู่กับที่อันเดียวเหมือนทาซานไปเกาะ น, นิ่งๆหรือลิงไปเกาะต้นไม้นิ่งๆไม่กระโดดไปไหนอันนี้แหละสมถะนี่เพลงแล้วมันจะไม่มีปัญญาเกิดขึ้น ถ้าเมืไรจิตไม่หลงไปแล้วก็ไม่ได้เพ่งเอาไว้นั่นแหละทางสายกลางอยู่ตรงนั้นทำอย่างไรเราจะเดินเข้าสู่ทางสายกลางได้จิตไม่ได้เผลอไปแล้วก็ไม่ได้เพ่งเอาไว้วิธีง่ายๆเลยขั้นแรกถ้าเพ่งอยู่เลิกไปก่อนคนไหนติดสมถะเลิกไปก่อนเลิกปฏิบัติไปชั่วครั้งชั่วคราวก่อนเสร็จแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตเผลอไปจิตไหลไปเผลอไปทางตาเผลอไปทางหูเผลอไปทางตาเช่น ไหลไปดูพระพุทธรูปเมื่อตะกี้นี้เผลอไปทางหูเห็นไหมระฆังดังรู้สึกไหมไปตั้งใจฟังระฆังปุ๊มเนี่ยได้ยินเสียงระฆังลืมกายลืมใจแล้วเผลอไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเผลอได้ทั้งหมดแหละถ้าเมื่อไหร่เผลอไปใจไม่ตั้งมั่นแต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งถ้ามันเผลอแลเรารู้ว่าเผลอนะจิตจะตั้งมั่นพอดีเลยแต่ถ้าเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งนะจิตไม่ขึ้นมาหรอก จิตก็ยังเพ่งอยู่เพราะอะไรเพราะจิตที่เผลอไปฟุ้งซ่านไปเป็นจิตอกุศลทันทีที่เรารู้ทันจิตอกุศลจะดับทันทีจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นในฉับพลันนั้นส่วนจิตที่เพ่งไม่ใช่จิตอกุศลนะจิตที่เพ่งเป็นจิตที่ทําสมถะเป็นจิตที่เป็นกุศลเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นเราไปรู้อยู่ไม่ดับหรอกเว้นแต่ว่าเราจะเลิกเพ่งฉะนั้นเอ๊ะผมเพ่งมาสามวันสามคืนแล้วผมก็รู้ว่าเพ่ง ทำไมมันไม่หายเพ่งไม่หายหรอกหลายปีก็ไม่หายยิ่งเพ่งมากๆยิ่งเพ่งเก่งเพราะมันไม่ใช่อกุสนจิตมันนิ่งๆนิ่งไปสงบไปไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าติดเพ่งแล้วล่ะก็เผลอไปเสียก่อนง่ายกว่าแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเพ่งอยู่ก็ใช้ได้มันจะค่อยๆคลายรู้ด้วยความเป็นกลางว่าเพ่งอยู่นะมีสองวิธีอันหนึ่งรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ว่าจิตกาลังไปเพ่ง แต่รู้อย่างเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันพวกเราแต่เดิมชอบเพ่งพรารู้ว่าเพ่งไม่ดีตอนนี้เริ่มเกลียดการเพ่งแล้วฉะนั้นพอเพ่งแล้วไม่ชอบใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางนี่นะเราได้เปลี่ยนอารมณ์โดยอัตโนมัติแล้วแต่เดิมเราเพ่งอยู่แต่ตรงนี้เราเปลี่ยนมารู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากการเพ่งเช่นเราเพ่งลมหายใจหรือเราเพ่งท้องอยู่ เราเกิดรู้ทันว่าจิตไม่ชอบแล้วนี่เราเปลี่ยนอารมณ์แล้วการเพ่งตัวนั้นจะขาดอัตโนมัติเลยพอเรารู้ทันใจมันก็จะตื่นขึ้นมารู้ทันสภาวะปัจจุบันรู้สึกตัวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแค่รู้ว่าเพ่งนะถ้ารู้อย่างเป็นกลางก็หลุดออกมาอีกวิธีหนึ่งก็เผลอไปเลยถ้าเพ่งแรงๆให้เผลอไปเลยลืมไปเลยเดี๋ยวตั้งต้นนับหนึ่งเอาใหม่หลวงพ่อเคยแก้พระองค์หนึ่งท่านเพ่งแรงเพ่งหลายปี หลอกชวนท่านคุยนะคุยเผลอๆไปเลยเผลอแล้วบอกท่านว่าเผลอไปแล้วพอท่านรู้ว่าเผลอท่านเพ่งใหม่ปุ๊บเลยเราก็ชวนคุยหลอกให้เผลออีกพอท่านเผลอเราบอกท่านเผลอแล้วท่านก็กลับมาเพ่งนะพอครั้งที่สมท่านไม่เพ่งแล้วท่านตบเก้าอี้เลยตบปึ้งเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปแล้วนะฉะนั้นถ้าเราติดเพ่งแรงให้หัดเผลอสิบ้างอย่ากลัวเผลอบางคนกลัวเผลอก็เลยไปติดเพ่งกลัวจะขาดสติ เผลอแล้วรู้ดีกว่าเพ่งตลอดเวลาค่อยๆฝึกเอานะต้องอดทนอดทนต่อคําสั่งสอนอดทนต่อความยากลําบากภาวนาบางทีก็ต้องข่มใจตัวเองฝืนตัวเองมันขี้เกียจมันจะนอนแล้วต้องฝืนใจขึ้นมาภาวนาข่มความทรมานทางกายข่มความขี้เกียจทางใจข่มความดื้อรั้นครูบาอาจารย์สอนแล้วดื้อรั้นรับไม่ได้ทนไม่ได้นี่ต้องอดทนทั้งสิ้นเลยอดทนต่อคําสั่งสอน อดทนต่อความเป็นอยู่ทั้งหลายก็คอยรู้คอยดูเอาวันหนึ่งตัวเราจะได้ของดีได้ของจริงใจหยอหยอแยะแย่ไม่ได้กินหรอกหยอแยะมาตั้งกี่พบกี่ชาติกี่ปีมันก็หยอแหยะอยู่อย่างนั้นยิ่งแก่ยิ่งหยอแย่ฉะนั้นต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องมีปณิธานต้องมีความตั้งใจมั่นอธิษฐานหบารมีสําคัญตั้งใจว่าภาวนาเราต้องไม่ขี้เกียจขี้คร้านถึงขี้เกียจเราก็จะภาวนา อะไรเกิดขึ้นเราคอยตามรู้ตามดูสุขทุกข์ดีชั่วตามรู้ตามดูไปขี้เกียจเกิดขึ้นอย่าไปยอมมันแล้วพวกผู้หญิงมีอีกตัวหนึ่งที่ชอบไปติดอยู่คือติดความเศร้าอุ๊ยฉันเป็นนางเอกเศร้า ๆ, ๆไม่เอานะจะบ้าตายไม่เอาเสียเวลาบางคนก็เศร้าแรมเดือนแรมปีเปลี่ยนชื่อเป็นแม่แรมเดือนฉนั้นอย่าปล่อยให้ความเศร้าความหดหู่ความท้อแท้ถดถอยอะไรอย่างนี้ครอบงาใจนะ ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้